อาหารชื้อโรต่อเลยนะในหน้าหนึ่งร้อยข้อเจ็แม้ในบรรดารูปที่เกิดจากอาหารทั้งหลายพึงทราบการจําแนกอย่างนี้คือหนึ่งอาหารสองรูปที่มีอาหารเป็นสมุทรฐานสรูปที่มีอาหารเป็นปัจจัยสรูปที่มีอาหารอันมีอาหารเป็นปัจจัยเป็นสมุทฐานหรูปที่มีอุตตูอันมีอาหารเป็นปัจจัยเป็นสมุทฐาน ในการจำแนกเหล่านั้นชื่อว่าอาหารได้แก่กัพเลิงกราหารที่ชื่อว่ารูปมีอาหารเป็นสมุทฐานได้แก่รูปสิบสี่อย่างคือกลุ่มรูปอันมีโอชาเป็นที่แปดอันโอชาที่ได้อุปาทินรูปอันเกิดจากกรรมเป็นปัจจัยแล้วตั้งอยู่ในกรร ม, มะชรูปนั้นยังถึงความตั้งอยู่ทําให้ตั้งขึ้นนะ อากาศธาตุและหูตามุทุตากรมรมัญจตาอุปจยะและสัมตติอันนี้คือรูปที่มีอาหารเป็นสมุทฐานเนี่ยนะส่วนรูปที่ชื่อว่ามีอาหารเป็นปัจจัยได้แก่รูปที่มีสมุทฐานทั้งสี่ที่ท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่าท่านคือพระพุทธเจ้านะตรัสไว้ในปัจจัยว่ากับพลิงกราหารเป็นปัจจัยโดยเป็นอาหารปัจจัยแห่งกายนี้ ก็คือกับพลิงกราหาเนี่ยมาอุปถัมภ์กายทั้ง4ี่สมุดฐานสี่ที่ชื่อว่ารูปที่มีอาหารอันมีอาหารเป็นปัจจัยเป็นสมุดฐานความว่าโอชาที่ถึงความตั้งอยู่ในรูปอันมีอาหารเป็นสมุดฐานทั้งหลายย่อมทำกลมรูปอันมีโอชาเป็นที่8กลมเอินให้ตั้งขึ้นโอชาแม้ในกลมนั้นก็กยังทำกลมรูปอันมีโอชาเป็นที่8กลมเอินให้ตั้งขึ้น ย่อมสืบต่อความเป็นไป10ถึง12วาระโดยนัยดังกล่าวมาชนี้อาหารที่บุคคลบริโภควันหนึ่งย่อมอุปถรัรมภ์แม้ตลอดเจวันส่วนโอชาที่เป็นทิพย่อมอุปถรัรมภ์ได้แม้ตลอดหนึ่งเดือนแม้ตลอดสองเดือนอาหารที่มารดากลืนกินย่อมทำรูปให้ตั้งขึ้นแผ่ไปทั่วสรีระของทารกแม้อาหารที่เขาทาไวที่สรีระก็ย่อมทารูปให้ตั้งขึ้นได้ เพราะฉะนั้นยาทานนี้ก็มีผลอาหารที่เกิดจากกรรมชื่อว่าอาหารที่เป็นอุปาทินกะอาหารที่เป็นอุปาทินกะแม้นั้นถึงความตั้งอยู่แล้วย่อมทำรูปให้ตั้งขึ้นมาโอชาแม้ในกลุ่มรูปนั้นก็ทำรูปอันมีโอชาเป็นที่8ดกลุ่มอื่นให้ตั้งขึ้นย่อมสืบต่อความเป็นไปสี่ห้าวรระโดยนยดังกล่าวมาชนีห้เชื่อว่ารูป ที่มีอุตุอันมีอาหารเป็นปัจจัยเป็นสมุทฐานความว่าเตโชธาที่มีอาหารเป็นสมุทฐานซึ่งถึงความตั้งอยู่ย่อมทำกลุ่มรูปอันมีโอชาเป็นที่แปดอันมีอุตุเป็นสมุทฐานให้ตั้งขึ้นบรรดารูปที่มีสมุทฐานสี่เหล่านั้นอาหารนี้ย่อมเป็นปัจจัยแก่รูปที่มีอาหารเป็นสมุทฐานโดยชนกกสตติคือผู้ทําให้เกิด ย่อมเป็นปัจจัยแก่รูปที่มีสมุธฐานที่เหลือด้วยสา ม, มารถแห่งนิสยะปัจจัยอาหารปัจจัยอธิปัจจัยและอวิคตะปัจจัยพระโยคาวจรเพึงเล็งเห็นความเกิดแห่งอาหารชรูปตามประการดังกล่าวมานี้มาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคำว่าอาหารคือกับผลิงกระหารเน้นตัวโอชานั่นเองส่วนรูปที่มีอาหารเป็นสมุธฐานก็คือรูปสรูปสบสี่รูป ที่ได้อุปาทินกะอันเกิดจากกรรมเป็นปัจจัยคือหมายถึงว่ารตัวสารอาหารที่อยู่ในร่างกายเนี่ยนะที่บริโภคเข้าไปเนี่ยแล้วก็ยังมีรูปอย่างอื่นอีกคืออันนอวินิพกเขารูป8ดก่อนใช่ไหมอวินิพภครูปแปดบวก9อากาศ10บลหูตา11มเอมุตา1ิบกรรมมัญจาตา1ิบาอุปัจะยะสิบ สันตติเนี่ยนะอันนี้เครียกว่ารูปที่มีอาหารเป็นสมุธฐานเพราะว่ารูปเหล่านี้เกิดโดยมีอาหารเป็นปัจจัยส่วนรูปที่มีอาหารเป็นปัจจัยนี่หมายถึงร่างกายทั้งร่างกายของเราทั้งสี่สมุธฐานนี่ก็ต้องอาศัยอาหารมาหล่อเลี้ยงเนี่ยนะหล่อเลี้ยงให้เป็นไปได้ส่วนรูปที่มีอาหารอันมีอาหารเป็นปัจจัยเป็นสมุธฐานก็คือโอชาที่อยู่ใน ในอวินิพกครูแปดเนี่ยนะตัวโอชาอันนั้นก็ทําให้รูปเกิดสืบ อ, อัน น, นโอชาเป็นปัจจัยแก่แก่อวินิพกครูแปดโอชาในอวินิพกครูแปดที่เกิดมาทีหลังก็สร้างอาวินิพกครูปขึ้นอีกแปดโอชาที่อยู่ในวินิพกครูว่าสร้างอย่างเนี้ยสืบเนื่องกันเป็นกี่วาระสิบสิบเอดสิบสองวาระเนี่ยนะเป็นเป็นสิบสิบวาระเลยนะ อันนี้พูดแบบทั่วไปก่อนทีนี้ถ้าอาหารที่สมมติถ้าทารกเนี่ยนะเด็กที่อยู่ในคันเนี่ยอาศัยอะไรทำให้รูปอย่างนี้เป็นไปได้ก็อาหารในคันของมารดาเนี่ยนะตอนแรกก็ดูดซึมก่อนตอนหลังพอมีรกก็ผ่า น, ผ, านผ่านรกเนี่ยนะผ่านสายสะดือเข้าไปถ้าเป็นทั่วทั่วไปที่เมื่อคลอดออกมาแล้วกินทุกวันนี่แหละก็ถ้ามื้อสุดท้ายที่บริโภคนะ แล้วก็ยังทํางานอะไรต่อไปเนี่ยก็มีอายุประมาณเจ็ดวันถ้าไม่ตัดทั้งน้ําด้วยนะตัดข้าวตัดน้ําตัดทุกชนิดเลยนะก็โดยเฉลี่ยแล้วอายุประมาณเจ็ดวันตายถ้าโอชาทิพย์ก็อยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งหรือสองเดือนอาหารเนี่ยบางทีเนี่ยทานในร่างกายก็ทําให้เสริมแล้วก็อิ่มได้เหมือนกันทําให้สามารถพอเรียกว่ายังบรรเทาให้เป็นไปได้ใช่ไหม คล้ายๆกับพวกแม่ครัวเนี่ยทำครัวมากแล้วก็ไม่ก็หิวสักเท่าไหร่ใช่มสูตรกลิ่นเข้าไป น, นะนะแต่ก็ไม่ค่อยผอมเท่าไหร่นะแสดงว่าไม่ได้เอาแต่กลิ่นนะลิ้นด้วยะรับหมดอนะส่วนโอชาที่อาหารที่เกิดจากกรรมเนี่ยนะที่เป็นอุอปาทินกะ ส่วนอาหารที่เป็นอุปาทิ น, นากะเนี่ยนะถ้าโอชาที่อยู่ในอุปาทิ น, นากะก็โอชาเป็น น, นะคือในกรร ม, มชรูปมีโอชาอยู่ด้วยใช่ไหมโอชาในกรร ม, มชรูปก็เป็นปัจจัยแก่อวินิโพครูปสืบเนื่องท อ, ทอดๆกันไป4ีห้าทอดอย่างนี้นะส่วนรูปที่มีอุตุอันมีอาหารเป็นปัจจัยเป็นสมุธฐานก็คือในอาหารชรูปก็มีเตโชธาต์อยู่ด้วยเตโชธาต์ที่อยู่ในอาหารชรูปเป็นปัจจัยแก่ เตโชท่ากลมใหม่ก็เป็นปัจจัยสืบเนื่องกันอย่างนี้เรื่อยๆไปเนี่ยนะทีนี้อาหารเหล่านี้ที่เราบริโภคเข้าไปเนี่ยตัวอาหารที่กลืนกินเข้าไปไปสร้างอาหารชรูปตรงๆเลยแล้วเป็นผู้ไปอุปธรรมกรรมมัรโปไปอุปธรรมจิตตชรูปไปอุปธรรมโอโตชโรนั่นอันนี้คืออนุภาพของอาหารที่เราบริโภคเข้าไปเนี่ยนะ ไปสร้างรูปตัวเองไปอุปธรรมทำให้กายเนี่ยเป็นไปได้อันนี้คือพูดถึงการเกิดขึ้นของอาหารชรูปที่เป็นไปในกายทีนี้มาดูอุตุชรูปบ้างว่าแม้ในบรรดารูปที่เกิดจากอุตุทั้งหลายพึงทราบการจำแนกนี้คือ 1. อุตุ 2. รูปที่มีอุตุเป็นสมุธฐาน 3. รูปที่มีอุตุเป็นปัจจัย 4. รูปที่มีอุตุอันมีอุตุเป็นปัจัยเป็นสมุธฐาน ห้ารูปที่มีอาหารอันมีอุตุเป็นปัจจัยเป็นสมุทฐานในการจําแนกเหล่านั้นหนึ่งที่ชื่อว่าอุตุได้แก่เตโชาธาต์อันมีสี่สมุทฐานตัวอุตุจริงๆเนี่ยนะได้แก่เตโชาธาต์ที่เกิดจากสมุทฐานทั้งสี่มีอยู่ทั่วกายเนี่ยนะก็อุตุนั้นมีสองอย่างคืออุตุร้อนกับอุตุเย็นเย็นร้อนนั่นเอง วัตุนี้คือเตโชธาตทั้งร้อนทั้งเย็นที่เกิดจากสมุธฐานส 2. สองชื่อว่ารูปที่มีอุตุเป็นสมุธฐานความว่ารูปอุตุอันมีสี่สมุธฐานได้อุปาทินากะรูปเป็นปัจจัยแล้วถึงความตั้งอยู่ย่อมทำรูปให้ตั้งขึ้นในสรีระนะหมายว่าถ้าเตโชธาตที่อยู่ในร่างกายเนี่ยอาศัยกรรมเป็นต้นเป็นปัจจัยเนี่ยนะอาศัยวิบากอาศัยอะไระอย่างในร่างกายเนี่ย เป็นปัจจัยขึ้นรูปที่อุตุทำให้ตั้งขึ้นนั้นมีอยู่สิบห้ารูปอุตุเป็นปัจจัยนะคิดง่ายๆก่อนก็คือสัทธนวกะหมายก็ว่าวินิโภครูปแปดบวกเสียงวันในร่างกายเนี่ยนะบางทีอุตุเป็นปัจจัยก็ทำให้มีเสียงได้<ม>เช่นอะไรท้องร้องท้องเป็นต้นเนี่ยนะเกี่ยวกับร่างกาย แล้วก็บวกอากาศธาตุละหูตามุทุตากัมมัญจตาอุปัจยะและสัน ต, ติจึงรวมเป็นสิบห้ารูปอันนี้ชื่อว่ารูปที่มีอุตุเป็นสมุทฐานพราะนั้นอุตุเป็นสมุทฐานทําให้รูปเกิดสิบห้ารูปสชื่อว่ารูปที่มีอุตุเป็นปัจจัยความว่าอุตุย่อมเป็นปัจจัยแก่ปวัติคือความเป็นไปและความพินาศไปแห่งรูปที่มีสี่สมุทฐาน รูปที่มีอุตุเป็นปัจจัยเนี่ยนะคืออุตุตัวนี้เนี่ยเป็นปัจจัยให้รูปเป็นไปได้ก็ได้อุตุนี้เป็นปัจจัยเพื่อฆ่ารูปอื่นๆก็ได้เห็นไหมเพราะไอเตโชธาต์เนี่ย ม, มันรุนแรงมากเลยนะอนุภาพของเตโชธาต์เนี่ยพิษทั้งหลายส่วนหนึ่งก็คือความร้อนนะเตโชธาต์สามารถที่จะทําให้สัตว์ตายได้เนี่ยนะทำให้รูปส่วนนั้นนะแตกทําลายเสียหายไปได้กลายเป็นเน่าเฟะเป็นต้นไปได้หมดแหะ มันสามารถทั้งทําให้รูปเป็นไปแล้วก็สามารถทําความวินาศพินาศให้แก่รูปนั้นแหละวินาศกับพินาศอันเดียวกัน 4. ชื่อว่ารูปที่มีอุตุอันมีอุตุเป็นปัจจัยเป็นสมุทฐานความว่าเตโชธาที่มีอุตุเป็นสมุทฐานถึงถีติขณะย่อมทํารูปอันมีโอชาเป็นที่แปดกลม่มเอินให้ตั้งขึ้นอุตุแม้ในกลุ่มรูปนั้นก็ย่อมทํา กลุ่มรูปอันมีโอชาเป็นที่8ดกลุ่มเอื่นให้ตั้งขึ้นโดยนิยะดังกล่าวมาชะนีรูปที่มีอุตุเป็นสมุทฐานแมตั้งอยู่ในฝ่ายแห่งอนุปาทิ น, นรูปก็ย่อมเป็นไปตลอดกาลนานทีเดียวก็อุตุชรูปเตโชธาตใช่ไหมพอถึงทีติขณะกท็ทําเตโชธาตพอถึงทีติขณะอีกก็ทําเตโชธาตอย่างนี้ไปเรื่อยๆทำให้ซากศพนี้อยู่ได้นานเท่าไหร่ ก็เชน่นนะสมมติถ้าตายไปแล้วนะเตโชธาตมันก็สืบต่อสืบต่อกันไปอย่างนี้ทำให้อายุของศพเนี่ยอยู่ได้นานอันนี้พูดแม้กระทั่งพูดถึงอุตุชรุบอย่างเดียวนะแล้วอุตุที่อยู่ในกายเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยสืบทอดสืบทอดสืบเนื่องสืบเนื่องกันมาอย่างนี้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะแล้วก็อยู่ต่อไปนานไหมอันนี้พูดถึงตอนเกิดนะเดี๋ยวพูดถึงตอนตายบ้างแล้วจะรู้อันนี้พอพูดถึงในสาย อะรนะสายอุปตอะรนะอุอุปัฏฐะเนี่ยนะขออุปาทะเนี่ยนะอุปาทะคือการเกิดขึ้นของรูปการเกิดขึ้นของกรรมชรูปการเกิดขึ้นของจิตชรูรการเกิดขึ้นของอาหารชรูปการเกิดขึ้นของอุตตรชรช่วงนี้นกว่าพูดกำลังช่วงการก่อสร้างนะยังไม่ได้พูดถึงการซ่อมแซมแล้วก็แตกทำลายน่ยนะ ที่ชื่อว่ารูปที่มีอาหารอันมีอุตเุเป็นปัจจัยเป็นสมุสทฐานความว่าโอชาที่มีอุตุเป็นสมุทฐานถึงความตั้งอยู่ย่อมทำกลมรูปอันมีโอชาเป็นที่แปดกลุ่มเอื่นให้ตั้งข <Ch> in ึ <refuses> <S <S <The> high, ้นโอชาแม้ในกล่มรูปนั้นก็ย่อมทำกลุ่มรูปอันมีโอชาเป็นที่แปดกล่มเอื่นให้ตั้งขึ้นย่อมสืบต่อความเป็นไปสิบถึงสิบสองวาระโดยนัยดังกล่าวมาชนี้ก็คืออาหารที่อยู่ในอุตุชรูปก็มาสร้างอาหารชรปขึ้นมา สร้างอาหารที่อยู่ขึ้นก็สร้างขึ้นต่อต่อต่อต่ อ, ตอสืบทอดกันประมาณ1 0บถึงวาระบรรดารูปที่มีสมุทฐานสี่นั้นอุตุนี้ย่อมเป็นปัจจัยแก่รูปที่มีอุตุเป็นสมุทฐานทั้งหลายโดยชนกะกสติคือสามารถทำให้เกิดตรงตรงย่อมเป็นปัจจัยแก่รูปที่มีสมุทฐานที่เหลือด้วยสามารถแห่งนิสยะปัจจัย อธิปั จ, จัยและอวิคตะปัจจัยแต่การอธิบายนี้ไม่ใช่ในกราบเดียวกันตามแบบสหาชาตรชาติในในปัจฐานนะแต่หมายคําว่ามันก็ช่วยช่วยกันเนี่ยแหละเช่นไตก็เป็นปั จ, จัยแก่ร่างกายหัหยเป็นแล้วตับก็เป็นปัจจัยแก่สรีระไม้มเป็นแต่ไม่ใช่สหาชาตชาติใช่ัหยไม่ใช่ลักษณะาชาตชาติแบบในปัจฐานแต่หมายถึงว่ามันก็ช่วยเหลือกันน่ะนะ ก็สมมติถ้าตายยังมีอยู่ก็ช่วยทําให้ร่างกายเป็นไปได้ดีถ้าหัวใจยังมีอยู่ก็ช่วยให้ร่างกายเป็นไปได้ดีถ้าตับยังมีอยู่นั้นเขาจึงมีการอุลตราซาวเพื่อจะดูแต่ละส่วนแต่ละส่วนมันยังใช้การได้ไหมก็เลยเพื่อจะได้รู้ว่ายังเป็นไปได้อีกนานไหมกายอันนี้เนี่ยนะพระโยคาวจรพึงเล็งเห็นความบังเกิดแห่งอุตุชรูปตามประการดังกล่าวมานี้ก็เมื่อเล็งดูความบังเกิดแห่งรูปอยู่อย่างนี้ก็ย่อมพิจารณา ชื่อว่าย่อมพิจารณารูปตามการนนะคือพิจารณาการก่อสร้างรูปตั้งแต่ตั้งแต่ไหนตั้งแต่ปฏิสนธิขณะขึ้นมาเลยนนะชาติปัอะไรนะวิญญาณังขอนะวิญญาณปัจจยานามารูปังนั่นเองนะคำอธิบายเหล่านี้คือวิญญาณปัจจยานามารูปังอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งก็คือพบเป็นปัจจัยแก่ชาติเนี่ยนะพร ะ, ว ป, พระวปัจยานา คือพบเป็นปัจจัยแก่ชาติอย่างไรมันทำให้เกิดการก่อตัวขึ้นอย่างไรในรูปทั้งสี่สมุดฐานนักวิการถามพระอาจารย์ในหน้าหนึ่งร้อยห้าค่ะที่บอกว่ า, ารูปที่มีอาหารเป็นสมุดฐานทั้งหลายาย่อมเป็นปัจจัยแก่รูปสมุดฐานที่เหลือทั้งหลายหมายความว่ารูปที่มีอาหารเป็นสมุดฐานเป็นปัจจัยแก่ รูปที่มีอีกสามสมุดฐานด้วยสามารถแท่งนิสยาปัจจัยอาหารและปัจจัยอัติปัจจัยและอวิคัตตปัจจัย อ, อันนี้ถ้าเผื่อว่ารูปที่มีอาหารสมุดฐานเป็นปัจจัยแก่รูปอื่นโดยนิสยาปัจจัยอันนี้เข้าใจนะคะโดยอัติโดย อ, ดยอวิคตะเข้าใจแต่ว่ามันไปเป็นอาหารระปัจจัยกับกับอาหารละชะรูปที่เกิดจากสมุดฐานที่เหลืออีก3ามยังไงครเพราะว่า แต่ละกรลาบมันไม่น่าจะเกี่ยวกันคือนี่แหละเราติดติดลักษณะของปัจฐานที่เป็นสหาชาตชาติเกินไปนะเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าการอธิบายแบบนี้ไม่ใช่ลักษณะสหาชาตชาติก็อย่างที่ยกมาตัวอย่างเมื่อกี้ว่าตับนี่มันเป็นปัจจัยแก่อย่างอื่นไหมในร่างกายเนี่ยถ้าตับยังมีอยู่มีผลต่ออย่างอื่นไหมนะถ้าตา ย, ยังมีอยู่ยังมีผลต่ออย่างอื่นไหมเนี่ยนะ น, นี่คืออธิบายรูปอัธนาธิบายลักษณะนี้ แต่ไม่ใช่<ต>ในกะลกในกาบเดียวกันคือเราเรียนโดยมากส่วนใหญ่ก็เรียนเฉพาะในกราบเดียวกันถ้าถ้าอธิบายลักษณะนั้นมันก็มีนิสยาปัจจัยอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับอาจารย์แต่นี้ก็มีอาหารและปัจจัยเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยก็อาหารมันมีกราบเดียวที่ไหนนะใช่ไหมคือเพราะว่าอาหารและปัจจัยเนี่ยนะตอนนี้พูดถึงอาหารแต่พูดถึงว่า อาหารตัวนี้เนี่ยอาหารนี้ย่อมเป็นปัจจัยแก่รูปที่ที่เป็นสมุธฐานโดยเป็นผู้ทําให้เกิดคือชนะากสาาัตถิอันนี้จะหมายถึงว่าอาหารที่เราบริโภคเข้าไปทํารูปไปไปทําเฉพาะอาหารชรูปตรงตร ง, ตรงแต่ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นปัจจัยโดยปัจจัยอื่นอีกคือนิสยาปัจจัยอาหารปัจจัยอัติปัจจัยและอวิคตะปัจจัย คือเพราะตัวสาระจริงๆมันอยู่ที่คำว่าอาหารปัจจัยตัวสาระนะตัวสาระของของปัจจัยทั้งนิสยอัิอวิคตะเนี่ยต้องอธิบายเอาอาหารอาหารปัจจัยเป็นหลักเพราะว่าปัจจัยที่เป็นประธานถือเอาปัจจัยเป็นประธานเป็นประมาณเพราะตอนนี้กำลังพูดถึงอาหารปัจจัยอยู่ ที่โยมสงสัยก็เพราะว่าตรงหน้าร้อยหนี้พอท่านแสดงปัจจัยท่านมีคําว่าอาหารและปัจจัยแต่พอมาหน้าร้อยหเมื่อกี้นี้ท่านก็บอกว่าด้วยสามารถแห่งนิสยญอัตถิและวิคตตาอันนี้ไม่กล่าวถึงอาหารและปัจใจยโยมก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้างั้นตรงนี้นี่มันใ น, ในอาหารแชรูปที่มันไปมีอุปธรรมแล้วมันก็เป็นปัจจัยแก่รูปอื่นด้วยมันมีคําว่าอาหารและปัจจัยนี้เลยอื ตรงนี้ของถ้าถ้าบอกว่าทำไมมันไม่เหมือนกันอย่างเงนะี้ยไงพอมาตอบได้ง่ายมากอันนี้ไม่รู้ว่าโ ห, วโหดูละเอียดมากเลยนะดูทุกคำเลยนะเออแจ๋วแจ๋วไปคนมาเพิ่มหน่อยจะได้ช่วยอธิบายกันได้เมื่อกี้ที่กล่าวไปทั้งหมดนี้เน้นความเกิดขึ้นของรูปตามการนะพิจารณาการเกิดขึ้นของรูป ตามการตั้งแต่กรรมมชรูปที่เกิดสืบเนื่องมาตั้งแต่อยู่ในครันเป็นต้นมาจนถึงมาจบจนจนปัจจุบันนี้ก็ไหลหรือสืบเนื่องไปจนถึงวันตายส่วนจิตตชรูปก็เริ่มมีตั้งแต่ภวังขจิตดวงที่หนึ่งเนี่ยนะสืบเนื่องกันมาอย่างนี้โดยเรื่อยมาอาหารชรูปก็มีตั้งแต่รับอาหารตั้งแอยู่ในครันของมารดาแล้วก็บริโภคคลอดออกมาก็กินอาหารบริโภคจนร่างกายเจริญเติบโตไปเช่นปัจจุบนัน ส่วนอุตุชรูปก็เป็นผลพวงของกรรมมชรุปผลพวงของจิตตชรูปผลพวงของอุตุชรูปและก็เป็นผลพวงของอุตุชรูปด้วยกันก็สืบเนื่องทําให้กายเหล่านี้เป็นเป็นมาอย่างนี้นทีนี้ในบรรดารูปเหล่านี้มันก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยอุปธรรมค้ำจูนแก่กันและกันเกาะเกี่ยวซึ่งกันและกันทําให้กายเหล่านี้เป็นไปได้พันรูปจึงเป็นปัจจัยแก่รูป แล้วก็รูปเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยแก่นามทั้งหลายนามทั้งหลายก็ยังมากลับมาเป็นปัจจัยแก่รูปอีกเนี่ยนะก็กลมคลืนกันได้เป็นอย่างดีนะทำให้กายนี้เป็นไปได้ทีนี้มาดูพิจารณาอารูปตามการอ่ะ น, นะกาเลนะอรูปังสัมมาสิตพังการพิจารณาอารูปตามการว่าอันหนึ่งพระโยคาวจรเมื่อจะพิจารณารูปพึงเล็งเห็นความบังเกิดแห่งรูปชันใด แม้เมื่อจะพิจารณานามก็พึงเล็งดูความบังเกิดแห่งนามฉนั้นก็ความบังเกิดแห่งนามนั้นแหลพึงเล็งเห็นได้ด้วยสามารถแห่งนามที่เป็นจิตตุบาทฝ่ายโลกิยาจิตแปดสิบเอ็ดวงเท่านั้นเพราะว่านามที่เป็นโลกุตระเอาไว้ก่อนใช่การเรียนวิสุทธิ์ีก็เพื่อเป็นอุปนิสัยปัจจัยที่มีกำลังต่อโลกุตระแต่ว่าที่กาลังพูดถึงการเกิดขึ้นของจิต หรือของนามธรรมา ท, ทั้งหลายเน้นโลกิยะก่อนข้อที่ว่าโลกิยะจิตตุบาทนี้เป็นอย่างไรคือก็ชื่อว่านามนี้ทีแรกมีประเภทจิตตุบาท19ดวงย่อมบังเกิดในปฏิสนธิขณะด้วยอำนาจแห่งกรรมที่สัตว์ทั้งหลายได้ประมวลไว้แล้วในพบก่อนก็อาการที่บังเกิดแห่งจิต19ดวงนี้บัณดิตเพึงทราบตามระยะที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้แล้วในปฏิจจสมุทบาทนิเทศนั่นเทียว ก็ไปดูปฏิจจสมุปบาทในหัวข้อว่าสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณว่าเช่นปฏิสนธิอุเบขาสันติระณะดวงที่หนึ่งที่ทําให้เกิดในโรกเปรตอสุรกายและเดราชานดวงที่สองทำให้เกิดในมนุษย์และมนุษย์เทวดาที่บ้าบ่ายบอดหนวกตั้งแต่เกิดเป็นต้นหรือว่าทําให้เกิดมนุษย์ทั่วไปที่เกิดด้วยยาณวิปยุทธมนุษย์หรือเทวดาที่เกิดด้วยยาณสัมปยุทธพรหมประเภทปฐมฌานไล่ไปจนถึง รูปประพรมทั้งหลายอันนั้นคือการปฏิสนธิของอปฏิสนธิครั้งแรกในภพนั้นๆในภูมิต่างๆโดยมีเจตนา29เป็นปัจจัยเจตนา29เนี่ยนะอากุศลเจตนานี่ให้ผลนําเกิดได้11ดดวง11ดวงคือเวน้นอุทจฉาสัมปยุทธที่ให้ผลนําเกิดไม่ได้อนอากุศล11ดวงนี้นําเกิดปฏิสนธิแต่ให้ผลนําเกิดได้ดวงเดียวคือ อุเบกขาสันติรณะทั้งนรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็มีอารมณ์แตกต่างกันไปแต่โดยจิตตุบาโดยเจตสิกที่ประกอบแล้วมีอยู่เท่านั้นเองอนะคือมันเหมือนกันแล้วก็พวกมนุษย์ทั้งหลายละ่ะที่บ้าใบา้บอดหนวกแต่กำเนิดก็ปฏิสนธิด้วยอุเบกขาสันติรณะภูมะเทวดาทั้งหลายก็บางพวกก็เกิดด้วยอุเบกขาสันติรณะ มนุษย์และเทวดาทั้งหลายบางพวกก็เกิดด้วยมหากุชนญานวิปยุทธ์คือไม่มีปัญญาอะไรประกอบเลยเพราะตอนทําเหตุนี้ก็ก็คือสมควรแก่เหตุอ่ะนะว่าบางคนทูศีลก็ทําบุญเหมือนกันนะเมาอยู่ก็ทําบุญอยู่เป็นต้นเพราะนนั้นก็ไม่ได้มีปัญญาประกอบอะไรเลยแล้วบางพวกก็มีปัญญาประกอบนันะส่วนบางพวกก็ได้ฌานคือรูปฌานบางพวกก็ได้อรูปฌานนั้นกรรมที่ทําเหล่านั้น ทั้งเจตนายีเก้านั่นแหละเป็นปัจจัยทั้งปฏิสนธิวิญญาณและปะวัติวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณคือการเกิดขึ้นครั้งแรกในภพนั้นๆปวัติวิญญาณก็คือความเป็นไปแห่งจิตทั้งหลายที่เป็นไปในภพเหล่านั้นจิตมีประเภท19ดวงนั่นนั่นแหละจับตั้งแต่จิตในลำดับแห่งปฏิสนธิจิตย่อมบังเกิดโดยเกี่ยวกับเป็นภวังดวงที่หนึ่งเป็นปฏิสนธิใช่ไหมดวงที่สองก็เป็นภวัง ในคราวสิ้นอายุย่อมบังเกิดโดยเกี่ยวกับเป็นจุติจิตคือหมายความว่าถ้าผู้ใดปฏิสนธิด้วยมหาวิบากดวงที่หนึ่งผวังของเขาก็เป็นมหาวิบากดวงที่หนึ่งจุติจิตของเขาก็เป็นมหาวิบากดวงที่หนึ่งัน่นแหละบรรดาจิตเหล่านั้นจิตดวงใดเป็นกามาวจรจิตดวงนั้นย่อมบังเกิดโดยเกี่ยวกับเป็นตถารมณนะในอารมณ์ที่มีกาลังในทวารทั้ง6 คือถ้าอารมณ์ใดเนี่ยนะที่เป็นอติมหันตารมณ์นะที่เป็นอติมหันตารมณ์เป็นอารมณ์ที่ชัดมากเป็นอารมณ์ที่มีกําลังมากอนนนานาชวนาจิตรับเสร็จก็ต้องมีจิตเกิดสองดวงรับอารมณ์ต่อเรียกว่าตถาลมมณจิตส่วนอันนี้นี่พูดถึงจิตทั่วทไปที่เป็นพื้นเนี่ยนะเป็นพื้นที่เป็นไปในชีวิตเนี่ยนะที่เป็นพื้นนับรับตั้งแต่ปฏิสนธิจิตภวังคจิตตถาลมมณจิตและจนสุดท้ายคือ จ, จิตจิตอันนี้คือพูดถึงจิตที่เป็นไปในวัตตะทีนี้มาดูพวกประวัติขณะประวัติขณะคือขณะที่เป็นไปขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะเช่นขณะเห็นขณะเห็นตอนนี้ก็คือเพราะจักขุยังไม่แตกทำลายยังไม่พิการเพราะรูปถึงคลองจักขุวิญญาณซึ่งอาศัยแสงสว่างมนาสิการเป็นเหตุจึงบังเกิดขึ้นพร้อมกับสัมปยุต ธ, ธรรมทั้งหลาย ก็อย่างสูตรที่เราเรียนมาอยู่แล้วใช่ไหมคืออาศัยจักขโคกับรูปเกิดจักขโวิญญาณเนี่ยนะจริงอยู่ในถีติขณะแห่งจักขโคประสาสตร์รูปซึ่งถึงถีติขณะแล้วเหมือนกันย่อมกระทบกับจักขโคได้จักขูที่สามารถมองเห็นจริงๆเนี่ยนะจะต้องเป็นจักขูที่ตั้งอยู่ในถีติขณะ แล้วสีที่เห็นต้องเป็นสีในขณะทีติขณะเหมือนกันจกักขุทีตเป็นทีติขณะรูปก็อยู่ในทีติขณะเขาบอกว่าเป็นที่น่าแปลกว่าตากับสีเนี่ยเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันถ้าถ้าถ้าตาเป็นที่ตั้งแห่งการเห็นสีอันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งการเห็นะนะหมายความว่ามันเกิดตากับสีนี่เกิดพร้อมกันอัะนะ ที่จะเป็นตาที่เป็นวัตถุปุเรชาตปัใจจัยให้แก่จกักขคูวิญญาณเนี่ยตากับสีต้องเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันด้วยจริงอยู่ทิติขณะแห่งจักขคูปะสาทรูปและรูปสีเนี่ยนะซึ่งถึงทิติขณะแล้วเหมือนกันย่อมกระทบจักสูตรได้เมื่อจกักขคูนั้นถูกกระทบแล้วพวังก็ย่อมเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสองวาร ะ, ะนะจริงๆก็ ถ้าไล่ไปนี้ก็สามวาระนะก็คืออะไรอตีตะวังอติตะผวังไม่นับเนี่ยนะแล้วก็ภ ว, วังกจลณนะภวังคู่ประเชตะตัดกระแสพวังต่อจากนั้นกิริยามโนโธาตย่อมเกิดขึ้นทาอาวัชนากิจคือปัญจทวาราวัชนากิจหรือจักขุทวาราวัชนากิจให้สำเร็จในอารมณ์นั้นนั่นแหละ ในลำดับแห่งกิริยามโนธาตุนั้นจากครูวิญญาณอันเป็นกุศลวิบากบ้างเป็นอกุศลวิบากบ้างย่อมเพ่งรูปนั้นนั่นแหละให้เกิดขึ้นก็คือจากครูวิญญาณรมทัศนกิจใช่ไหมต่อจากนั้นวิบากมโนธาตุก็ย่อมเกิดขึ้นรับไว้ซึ่งรูปนั้นนั่นแหละอันนี้คือสัมปติชนะจิตที่ต่อจากจากครูวิญญาณต่อจากนั้นวิบากอาเหตทธุกมโนวิญญาณธาตุย่อมเกิดขึ้นพิจารณารูปนั้นนั่นแหละคือ สันติรณจิตต่อจากนั้นกิริยาอาเหตุกะมโนวิญญาณธาตุอันสหรคตด้วยอุเบกขาย่อมกําหนดรูปนั้นนั่นแหละเกิดขึ้นอันนี้คืออะไรโวัฏฏนะจิตหลังจากนั้นไปบรรดาจิตที่เป็นกุศลอกุศลและกิริยาอันนั้นในบรรดาจิตที่เป็นกุศลอกุศลกิริยาฝ่ายกามาวจรทั้งหลายอาเหตุุกะจิตอันสหรคตด้วยอุเบกขาคืออะไร คือหา ส, สิตุปาทจิตชาวนะจิตอะนะบางครั้งก็เป็นห้าขณะบางครั้งก็เกิดขึ้นเท่าไรเจ็ดขณะห้าขณะนี้ท่านเอาขณะไหนเช่นขณะที่เกือบจะตายมรณาสานนวิถีแต่โดยปกติทั่วๆไปก็มีเจ็ดขณะต่อจากนั้นในบรรดาตทาลัมมณสิบเอ็ดวงแห่งการมาวจรจิตตทาลัมมะดวงใดดวงหนึ่งที่เหมาะสมแก่ชาวนะย่อมเกิดขึ้นชะนี้แล อันนี้พูดถึงจักผู้ทวารวิถีเนี่ยนะอาศัยมีตาเป็นปัจจัยกระแสของจิตทั้งหลายที่ไหลสืบเนื่องกันไปนับตั้งแต่อวชนาิจอวชนกิตจากทัศนกิตคือจักรคูวิญญาณต่อด้วยสัมปติชนะสันติรณาโวทัพนะชวนะและตถาลัรรมมนณะก็ไหลสืบเนื่องกันไปแม้ทวารที่เหลือก็นัยเดียวกัน โสตทาวานก็โสอาวัชนะโสตวิญญาณสัมปติชนะสันติระนาะโวทพนาชวนาะตถาลามมนณะแล้วก็ลงพวังไปขานาถวานชิวหาทาวานกายาถวานก็ในยะเดียวกันนี่นะส่วนทางมโนทาวานแม้มหักจะแม้มหคตะคือชาณจิตทั้งหลายก็ย่อมเกิดขึ้นได้ในมโนทาวานนี้เกิดขึ้นได้โดยที่สุดแม้ระดับชาณจิตอะนนั้ เฉพาะปัญจทวารนั้นจิตที่เกิดขึ้นปัญจทวานในชาวนะก็คืออกุศลสิบสองมหากุศล8ดมหากิริยา8และหัสิตุปาทาจิตหนึ่งที่ทําชวนะกิจในปัญจทวานส่วนมโนทวานเนี่ยชวนะ น, น, นั้นเป็นทั้งอกุศลมหากุศลหัสิตุปาทะก็ได้หรือโดยที่สุดแม้กระทั่งมหากิริยาหรือฌานาจิตโลกุตรจิตเกิดได้หมดนะในมโนทวานไม่ห้าม โยคาวจรนพึงเล็งเห็นความเกิดแห่งนามในทวารทั้ง6ตามประการดังกล่าวมานี้ก็ค่อยๆมาใส่ใจเออการเห็นการเห็นเนี่ยจิตที่เป็นไปในการเห็นคําสอนแสดงว่าอย่างไรบางคนเนี่ยนะจำแต่ทฤษฎีว่าจิตเกิดดับเร็วมากเพราะฉะนั้นใครจะปะคอยกําหนดอะไรทันะนะก็เห็นอยู่ทั้งวันนี่แหละอุ้ยสีเกิดดับเร็วมากแล้วก็เห็นอยู่หน้าเห็นหน้าอยู่ทั้งวันอย่างนี้นะจะว่าไงอ่ะใช่ไหม มันเกิดดับเร็วจริงแต่มันก็ซ้ำๆๆๆๆๆอยู่นั่นแหละก็สามารถเก็บมานั่งพิจารณาอยู่นั่นแหละและอย่างการพิจารณาก็ไม่ต้องวิ่งให้มันทันปัจจุบันถ้าวิ่งให้ทันปัจจุบันป่วยตายแ น, ยน่เนี่ยนะเพราะว่าจิตเนี่ยนะไม่สามารถรู้ตัวเองได้พูดตรงๆเลยเนะจิตไม่สามารถรู้ตัวเองได้จึงไม่มีใครกำหนดจิตที่เป็นปัจจุบันได้จริงเช่นจใครจะกำหนดจักรคูกาหนดอาวัชนะได้ในปัจจุบันขณะ ทำไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นพิจารณาเกี่ยวกับใส่ใจมนาสิการอาวัชนะเกิดจากปัจจัยอะไรโดยวัตถุโดยทวารโดยวิญญาณโดยอารมณ์โดยสัมปยุต ธ, ธรรมนะนั่งคิดไปครึ่งวันก็ไม่เสียหายอะไรนะนะั่นเองมันก็เห็นไปเรื่อยมันก็เห็นไปเรื่อยมันก็เห็นไปเรื่อยก็สามารถเอาเรื่องนี้มาไครโครดเห็นการเห็นอาศัยจกักขู่กับรูปเกิดจกักขูวิญญาณเออนี่ถ้าแสงขนาดนี้เห็นเข้าออนี้ถ้าแสงอีกอย่างหนึ่งมาให้มันเห็นไปอีกอย่างหนึ่งอย่างนั้น ก็สามารถที่จะเอามาให้ครวนพิจารณาได้แล้วการรับอารมณ์ต่อมาการไข่ครวนอารมณ์และตัดทำไมเห็นอย่างนี้แล้วมันเป็นอกุศลได้ยังไงก็วัฏพันธแสดงว่าวัฏนะ์อันนี้ต้องมาจากปัจจัยอื่นๆที่สําคัญมากเรียกว่าอโยนิโสมนสิการทางปัญจทวารจึงเป็นเหตุให้เกิดอกุศลแล้วคิดอย่างนี้ทําไมเห็นอย่างนี้แล้วที่เป็นบุญได้ยังไงก็สามารถเอามาวิเคราะห์ได้อยู่แล้ว